อย่างวันที่จะสว่างก่อนจ้าปี524ด้วงผมกนเดียตอนผมอยู่ดวงสียมพูท่านเสียมันเป็น524ด้วย ไ, ไม่ใช่19นะเขาเ้าใจ524ท่านเียเสียเช่นอย่างวัน เป็นสิบห้าคเหมเนี่ยมัดสว่างมาเลยทุ่มห้าสิบนาทีท่านก็นไปรกหัวใจอ่องกันท่านเป็นมานานตอนปีศูนย์หกไปนเราไปในงานศดท่านาจากรุงมาท่านเป็นอยู่ก่อนแล้วนะท่านกำลังเป็นมากเลยย่านหมอก็ห้ามรับแขก สี่ส่วนหกท่านเป็ น, นปมาสักปีสองปีแล้วเลยลๆลุงลุลุผมไปพักที่วัฒ น, น, น, น์ท่านเอนนาเง น, น, น, น, น, น, นะงนงงท่านอยูอนอย่นั่นวัดกูธรพิทักนะออกอยานั้นผมก็ไปงานศพหลงปู่คงมานั่อย่คงมาวัดดอยธรรมจิ้แล้วก็ไป ไปเป็นบนธรรมารนั่นแหละเทศในงานศพ น, นั่นเราไปปีนเขาวดันออกจากวัดปุทธรูปทักหลวงปู่ขั่นไปไปในงานเทศยังคืนมันก็เป็นในยังคื น, คนบนธรรมานีชลโ ใครมาให้ม า, มาตั้งใจมาพอวานี่มาเรื่อยๆนะเราเบื่อจะตายแล้วนะครับโอเ้เพื่อนไม่ว่าไปที่ไหนที่ไหนเดี๋ยวนี้มีแต่กรรมฐานชื่อไ ม, ไม่มีกรรมฐานจริงนะไปที่ไหนเป็นอย่างนั้นนะมันกำลังตื่นโลกขงองเลยเวลา น, นี้ โ, นโลกก็เป็นยังไงก็ ดิ่นเป็นบ้าจะเป็นเขาเขาไปเขามีอะไรก็อยากมีกเขาเขาเรื่องโลกโลกนั่นค่อนข้างมันจะมีเต็มหัวใจอีกแล้วเขามีอะไรกับกระเสือกกระสนอยางมีเข า, าเขายังมีเขามันผิดอะรกับโลกเขาล่ะเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อมันผิดกับโลกเขาแล้วมันก็เลวกว่าโลกเขาเลยที วัดที่ไหนไปสร้างวัดที่ไหนสร้างวัดกรรมฐานที่ไหนมันมีแต่ชื่อแต่ชื่อไปสร้างไปหากินนะอือย่างนี้มันไม่มีทำอยู่มาภายในใจพระกรรมฐานแล้วนะที่อสลดสังเวชก็คือว่าทางยงกลมไม่มีในวัดกรรมฐานานี่นะนี่เป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชอย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องหมายของพระกรรมฐานโดยตรง ไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อหลีกเลี่ยงแก้ตัวได้เลยเมื่อทายาทกรมของพระที่ปฏิญาณตนหรือว่าทนงตนว่าเป็นกรรมฐานเป็นลูกจิตของอาการองค์นั้นองค์นี้ด้วยแล้วแล้วไม่ไม่มีสถานที่ หรือสิ่งเป็นเครื่องหมายให้เป็นความลงใจได้เลยว่าเป็นกรรมฐานเะช่นทัณกุลตัวนีแต่ที่นั่งสมาธิพอวนามันก็พอแก้กตัวได้ี่เพราะมันเป็นร่องรอ ย, น, ยนอนอยู่บนเสื่อบนหมอนทั้งคืนกันจะไปดู มันก็แก้ตัวได้ทั้งคืนทั้งวันเนชะ่นนอนนอนเอาจนอ น, อาจนอนเอาให้ตายกันก็ได้ออกมาก็มาอวดตัวว่าพอหนามาหลอกโลกว่าภาวนาก็ได้แต่ทันกรมการทึดกรมมันมีสำคัญที่จะแก้กไปไหนก็แก้ไม่พ้นไม่หลุดครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านดําเนินมาอย่างนั้นนะที่เอามาพูดนี้ให้ทราบว่า รองรอยของท่านพานำเนินมาอย่างไรนับแต่ครั้งพุทธกาลมาเป็นลำดับลำรายถึงสมัยปัจจุบันนี้ที่ภูบาจาการ่องรอยท่านพานำเนินมาทางจงกรมเป็นเครื่องประกาศให้เห็นอย่างชัดเจนในสำงงนักในึ่งหนึ่งเลยหรือในสถานที่ที่ท่านประดงเพงท่งถือเป็นกิจจาเป็นอย่างยิ่ง ในปุงกรรมฐานและเป็นงานของพระชิ้นเอกได้จากการเดินจดกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่ไหนแต่ไรข้างพุ้จการในตำรับกำลาไม่อยู่ทั่วไปเลยที่ว่าเดินจงกรมทางจงกรมอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าที่ภาวนานั่งภาวนา สถานที่เดินยคมคมนีอยู่ทั่วไปในตาําราวันทีก็สำเร็จทานยคมคมก็มีท่านสำเร็จอาละหัสตบุคคลอาหัสตบภูบมิทานยคมคมก็มเช่นอย่างพระวัดชีบุตรพระบุตรของชาววัดชีที่มีเป็นลูก เศรษฐีมหาเศรษฐีสตก่อนพ่อแม่ก็มีลูกชายคนเดียวไปบงเพ็ญอยู่ในป่าชาขณะนั้นเป็นเป็นลาที่ขั้นกาลังเดินจงกรมอยู่พวกชาววัดจีบุตรเป็นเป็นกษัตริย์ เดินผ่านป่าท่าไปที่นั่นแล้วขับลำทำเพลงไปไปดูงานเล่นเที่ยวงานอย่างที่เราเห็นทุกวันนีเลยน้อง ล, ลำทำเพลงผ่านไปข้างป่าท้านะัท่านก็เกิดความนำผลขึ้นมาน้อยอกน้อยใจมันเราเนี่เป็นเหมือนไป อะไรเขาเรียกว่าเหมือนคนตายทั้งเป็นมาอยู่กับปลาช้าคนตายแล้วทั้งๆ ท, ที่เรายังมีชีวิตอยู่เรื่องความเร็วสามต่ำช้ามมนมีใครเกินเหล่ามาอยู่กับพวกคนตา ย, ย ท, ทั้งที่มีชีวิตอยู่โรกๆเขาเขายังมีความเื่อนล่นลบันเทิงยกตัวอย่างก็เช่นอย่างเพื่อนฝูงพวกชาวลัทธิวิีที่เขาเดินผ่าน ไปด้วยการขับรำต่ำเพรียงลื่นลื่นมันเถียงนั่นเองท่านกาลังแสดงความวาน้อยเต่ําใจอยู่เวลาอยูกับทางจงกรมนะท่านกาลังเดินจงกรมอยู่นะย่างนี้ฟังเลยกําลังแสดงความทอดถอยน้อยใจนั่นแหะเมื่อเห็นไม่กิเลสมันกล่อมได้ทุกเวลาเดินจงกรมอยู่มันก็ยังกล่อมแต่นี่เราพูดถึงเรื่องทางจงกรมนะให้เป็นหลักเป็นจริง เราพิจากมาเพียงเอกเทศเท่านั้นในบรรดาทางยมโกมของพระคัมภีรการทั้งหลายท่านเดินกั น, น ถ, ถึงสำเร็จอีกในทางยมโกลมก็มีอย่างที่ว่านี้ควากกำลังแสดงความน้อย อ, อกน้อยใจอยู่เวลานั้นก็พอเรามาอยู่ในป่าชาพีดไปฆ้ปาคนตาย ต่ตั้งที่เรายังไม่ตายก็แสดงว่าเราไม่มีในโลกนี้ใครที่จะว่าครจะตำชาเรือซามีกว่าเราไม่มีคุณค่าไม่มีราคาเลยเลยแล้วพอดีเทวดาองค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันให้มาสิงสถิตอยู่บนอากาศเห็นอาการของท่านชิดอย่างนั้น เกิดความสงสารอะไรเตือนลงมาจากอากาศว่าเท่าที่ท่านอยู่และงานที่ท่านทําอยู่เวลานี้และท่านบําเพ็ญอยู่เวลนี้เป็นเรื่องเลื่อนเรื่องประศุดแล้วไม่มีใครสามารถจะทําได้นั่นหายากมากคนในโลกนี้ซึ่งจะทําได้อย่างท่านนี้่ท่านน่ะเป็นผู้ ที่ดำเนินงานเพื่อความประเสรอยู่แล้วเวลาท่านจะตาหนิดติเตียนน่าเนื้อต่ำใจอย่างไรว่าท่านเป็นผู้หาคุณค่าหาราคาแอะไม่ได้และเป็นคนต่ำงรามท่า น, น, นเองจะเป็นนัทท่า น, น, นเองเป็นผู้ดำเนินนะทำมันประเสริฐฟังดิ ที่โลกทั้งหลายเขาเป็นกันไปนั้นหนละเขาเป็นเป็นแบบโลกโลกเขาไม่มีหลักมีเกณฑ์เรานี่ทําไปเพื่อความมีหลักเกณฑ์เพื่อความประสูิฐท่านอย่าไปคิดในเรื่องของโลกเขาให้มาทำลายอัรรมอันเป็นของประสูิซึ่งท่านกำลังบาเพ็ญอยู่นี่เลยนะนี่และเพื่อนของท่านเทวดาลงมาเตือนอยู่บนอากาศ เป็นคำเยะแย่ขอให้ท่านตรงพยายามทำอุษะบำเพ็ญต่อไปเพื่อนคนนี้เคยบำเพ็ญธรรมรัตธมาดรว่อยกันนะตายแล้วไปเป็นเทวดาพอท่านได้สติแล้าระลึกย้อนกลับมาหาตัวเองได้พอใจในคำพูดของเพื่อนเทวดาที่ประกาศ ลงมาเตือนสติท่านในขณะที่ท่านกำลังเดินจงกรมอยู่เพื่อคำคำสกงเข้าห้ง้อยดังที่กล่าวมานั่นเลยเลยสำเร็จอารัสตบุคนในเวลานั้น <c oughs> <c oughs> ทำไม่านเร็ว <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ปิดบางไม่จําเป็นต้องหนาเท่าภูเขาทั้งลูกอะบางๆเท่นั้นมันก็ปิดได้ปิดตาคนไม่มองอย่างเรามองดูปฏิปจันทร์เห็นอยู่นี่แหละแล้วเอากระดาษบา ง, บางๆมาปิดตาเราดูอยมันก็เท่ากับไปบงังภูเขาทั้งลูกแล้วมองไปในอีกฝากทั้งฝากทั้งหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่เห็นอย่างนั้น ของบางๆแล้วเราปิดตานนี้กิเลสไม่จําเป็นต้องหนาทุกประเภทไปยังบางๆแล้วเราปิดยังเสียคนไปแล้วพระวจีบุตเห็นไหมละ่ะก็เพื่อนนที่บำเพ็ญสมาทําด้วยกันมาเตือนท่านท่านถึงได้สติระลึกได้นในเวลาล่ะก็กลับตัวได้คันทีบาเพ็ญ ส, มสมัมเทธิ์สำเร็จในคืนวันนั้นเลย แนวทางยุงุ่มเป็นอย่างนั้นแนวทางยุง่งกุมทำคนให้ปพอสมใไอเสือไอหมอนเพียงบันเทาร่างกายโลกเขาถัำได้ทั่วๆวไปไม่เป็นของอัศจรรย์ความขี้เกียจขี้คลานเป็นสนามนอนเกิดนอนตายของกิเลสตัณหาที่เหยียบย่ําทําลายสัตว์โลกให้จมอยู่ในถุงที่ตรงนั้นต่างหากไม่ได้เป็นสถานที่ที่วิเศษเลิศเลออะไรเลยพอที่จะติดจะพันไม่มีวันอีกพอ พวกเราลูกสิตทถาคตลูกสิปปุตติเจ้าลูกตถาคตดลูกพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดแหลมคมที่สุดในโลกกาัตรนี้ไม่มีใครสมมุเหมือนแล้วทําไมจีงกับตัวมาเป็นข้าศึกโดยไม่มีเจตนาที่ไม่มีความรู้สึกตัวว่าได้เป็นข้าศึกต่อาศาธาธรรมและพระองค์เองนี่มันผิดไหมล่ะปีนาไปที่ไหนไม่มีทายงยงกมเหรอนี้ เดิมาฐานหาอยู่หาตินเขาล่ำหรือว่าตื่นยิ่งก่อนล่ำหรือว่าลูกเป็นลูกติดหลายหลายลูกปูมั่นด้วยแล้วยังเป็นบ้าเลยเดี๋ยวนี้ก็ามาฐานแล้วนะมันกำลังเป็นบ้าทั้งทั้งในตัวนั้นยิงนะเพราะว่าตัวนี้ติดดีขอนับตาถือตานั่นแหละดูยิมันตื่นลมไปยังไงกรรมฐ า, านทำไมถึงตื่นลมอืม ต้องรู้เท่าลมด้วยก็มาทานโลกธรรมแปดถ้าไม่ใช่ลมจะเป็นอะไรไปมันมีความจริงของจริงที่ไหนในโลกธรรมแปดมิถลมเท่านั้นออืยกตยัวอย่างเช่นเขาสรารเสริญน่ะฟังใหใครเขสรรเสริญได้จะไปหาปากอะไรคนอื่นที่เขามันสรรเสริญอยู่ไกลๆนั่นปากเจ้าของมันอยู่กับหมูเจ้าขอ ง, ของสรรเสริญมันยัางข้าที่ไม่ต้องกินข้าวแล้วเอาข้าวมันจะเก่งจริง นั่งสารเสิร์นอนสารเสิร์เนี่ยไม่ต้องกินนะกินข้าว อ, อ๋มันจะพิเสศษจริงๆเลอแล้วสุดท้านมันก็ตายเนี่ยเพราะลมปากเจ้าของมีจะนั่งสารเสิร์นอนสารเสิร์นแล้วก็หิวข้าวหิวข้าวมันไม่ได้กินเลยที่มันจะตายสุดท้านมันก็ตายเพราะลมปากตื่นลมปากเจ้าของนั่นมันดีไหมกยกตัวอย่างมาเห็น ใ, นใกล้ๆลมปากโลกธรรมแปดตื่นมันอะไร ดูของจริงตามที่ทำท่านสอนไว้จริงๆทำท่านสอนเล่นเมื่อไรท่านสอนจริงทั้งนั้นผู้สอนเป็นผู้รู้จริงด้วยไม่ใช่มาไม่รู้มาสอนไม่ใช่หลับตาสอนถ้ามาจริงจะอยู่กันืบอแบบหลับหูหลับตาอยู่ไม่คิดไม่อ่านแต่